งานนี้คือการจัดพิมพ์หนังสือพุทธธรรมฉบับปรับขยายเป็นการตรวจจัดข้อมูลแค่จะพิมพ์หนังสือเก่าขึ้นมาใหม่ขอทำความเข้าใจก่อนว่าการทำหนังสือพุทธธรรมฉบับปรับขยายที่เพิ่งพิมพ์เสร็จใหม่ไม่นานนี้นั้นได้บอกเวทชัดเจนแล้วในนิทานพ์คือถ้อยถแถลงความเป็นมาของหนังสือพุทธธรรมนั้นว่าเป็นงานตรวจจัด คือตรวจและจัดข้อมูลที่มีอยู่แล้วเพื่อให้พร้อมที่จะพิมพ์เป็นเล่มหนังสือพูดง่ายๆว่าการทำหนังสือพุทธธรรมครั้งนี้เป็นงานเพื่อวัตถุประสงค์ในการตีพิมพ์เล่มหนังสือไม่ใช่เป็นงานเขียนหรือเรียบเรียงหนังสือเพราะหนังสือมีอยู่ก่อนแล้วแต่มีข้อติดขัดในการที่จะตีพิมพ์ใหม่เท่านั้นเองแม้แต่ชื่อหนังสือที่มีซ้อยว่าฉบับปรับขยาย ก็ไม่ใช่คำเพิ่มขึ้นใหม่แต่เป็นคำที่มีอยู่ก่อนแล้วคือหนังสือนี้มีชื่อมา30ปีแล้วว่าพุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความแต่มาถึงคราวนี้ได้เห็นแล้วว่าชื่อเก่านั้นยาวเกินไปเรียกยากจำยากจึงตัดให้สั้นลงจากฉบับปรับปรุงและขยายความเหลือเพียงว่าฉบับปรับขยายเรื่องชื่อนี้จึงไม่ใช่แปลกใหม่ที่ใหม่คือแค่เปลี่ยนให้สั้นเท่านั้น เรื่องที่ว่างานนี้เป็นเพียงการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการตีพิมพ์นั้นขอเล่าทวนความสั้นๆว่าพุทธธรรมฉบับเดิมปี 2,514 นั้นหนาเพียง200หน้าเศษต่อมาอีก10ปีเมื่อเขียนเพิ่มเติ ม, ตมขยายความพิมพ์ออกมาเป็นพุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความหนา 1,000 หน้าเศษในปี 2,525 คือเมื่อ30ปีก่อนน้นแล้วต่อจากนั้น ก็ติดตันอยู่กับปัญหาการพิมพ์ที่ว่านี้หมายความว่าความคิดที่จะเพิ่มเติมนั้นมีอยู่ตลอดมาตั้งแต่นังสือเสร็จออกมาจากโรงพิมพ์แต่ทําอะไรไม่ได้เพราะในสมัยนั้นหนังสือที่เคยพิมพ์แล้วถ้าจะพิมพ์ครั้งใหม่ก็ต้องเรียงพิมพ์ข้อมูลใหม่และตรวจหรือพิสูจน์ตัวหนังสือใหม่ทั้งเล่มถ้าเป็นหนังสือเล็กๆ ก, ก็พอไหวแต่พอพุทธธรรมหนาเป็นพันหน้าก็ไม่ไหว วิธีที่ทำได้ก็คือถ่ายภาพเรียงทุกหน้าจากหนังสือเก่าเอามาพิมพ์ซ้ำนี่คือการพิมพ์หนังสือพุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความในเวลา30ปีที่ผ่านมาเป็นอันว่าการที่จะเขียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอะไรก็ทำไม่ได้ระหว่างนั้นในช่วงท้ายปี2529ต่อปี2530ระบบการพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ได้เริ่มขึ้น ซึ่งเป็นความก้าวหน้าครั้งใหญ่ทำให้สามารถเก็บข้อมูลหนังสือไว้ได้ไม่ต้องทำใหม่ซ้าแล้วซ้าอีกและข้อมูลนั้นสามารถแก้ไขเพิ่มเติมตลอดจนจัดรูปแบบได้ตามปรารถนาสำหรับพุทธธรรมซึ่งเป็นหนังสือขนาดใหญ่การจะมีข้อมูลคอมพิวเตอร์อย่างที่ว่านั้นมีงานหนักที่จะต้องผ่านสองขั้นคือ 1. ขั้นพิมพ์ข้อมูลที่มากมายลงในคอมพิวเตอร์และ2 การตรวจจัดข้อมูลที่ลงไปอยู่ในคอมพิวเตอร์แล้วนั้นเสร็จสองขั้นนี้แล้วก็เป็นอันว่าสามารถตีพิมพ์หนังสือเก่าขึ้นมาใหม่ได้ต่อจากนั้นพร้อมหรือสะดวกเมื่อไหร่ก็จะแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมข้อมูลนั้นได้ตามปรารถนาคือเป็นงานอีกขั้นหนึ่งในระยะยาวสำหรับพุทธธรรมเรื่องที่รอกันมา30ปีก็คือทาอย่างไรจะตีพิมพ์หนังสือเล่มเก่านั้นแะ ขึ้นมาในครั้งใหม่ที่เรียบร้อยชัดเจนโดยไม่ต้องถ่ายแบบจากหนังสือเก่าที่เลื่อนรางลงไปเรื่อยๆที่จริงงานสองขั้นตอนที่จะพิมพ์หนังสือเก่าขึ้นมาใหม่นี้เมื่อเข้ายุคคอมพิวเตอร์แล้วถ้าอาตมาพร้อมก็ทําเองได้ตลอดทั้งหมดแต่อาตมาเองนี้แค่พิมพ์ดีดก็ไม่เป็นและที่ไม่มีช่องเลยคืองานหนังสือเล่มเล็กเล่มน้อยทยอยเข้ามาชนิดทําไม่ทัน เวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วทำได้แค่รอว่าจะมีข้อมูลที่มีผู้พิมพ์เอามาให้แล้วหาเวลาจะตรวจต่อไปเมื่อก่อนเกินกว่า15ปีแล้วผู้มีน้ำใจบางท่านได้ทำงานขั้นที่หนึ่งคือพิมพ์ข้อมูลหนังสือพุทธธรรมจบระบับปรับปรุงและขยายความจากเล่มที่ตีพิมพ์แบบเก่าลงในคอมพิวเตอร์ระบบ Apple Macintosh จนจบหลังจากตรวจตัวหนังสือ คือพิสูจน์อักษรกันอีกนานก็ส่งข้อมูลนั้นมาให้และผู้หวังดีท่านโน้นท่านนี้ก็ร่วมมือกันจัดการแปลงตลอดจนชำระข้อมูลแบบแม c ที่ได้มานั้นเป็นข้อมูลดิบแบบพีซีสามัญจนเสร็จนี่คือถึงขั้นสองที่อาตมาจะต้องตรวจวัดคือตรวจความถูกต้องของข้อมูลนั้นและจัดให้เป็นรูปร่างเรียบร้อยที่จะใช้ตีพิมพ์เป็นเล่มหนังสือต่อไปแต่อย่างที่ว่าแล้ว งานพิมพ์และจัดตัวหนังสือนั้นอาตมาเป็นแค่ผู้เริ่มหัดในขณะที่ต้องเร่งทำงานหนังสือเล่มย่อยมากมายที่ทยอยมาไม่ขาดสายข้อมูลคอมพิวเตอร์ของหนังสือพุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความจึงนอนรอคร้างอยู่เฉยเฉยหลายปีทำอะไรไม่ได้และไม่ได้ทำอะไรสำหรับอาตมาในแง่หนึ่งงานทำหนังสือพุทธธรรมที่ได้พิมพ์เสร็จไปเป็นเรื่องอดีตที่จบแล้ว เมื่อยังไม่สามารถจัด ก, การกับข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มารอนั้นการพิมพ์ใหม่ก็ทำได้ด้วยการถ่ายภาพจากหนังสือเล่มเก่าซึ่งในเวลา30ปีนั้นก็ใช้วิธีนี้กันมาเกือบ30ครั้งแล้วส่วนเรื่องที่คิดไว้เมื่อ20กว่าปีก่อนกว่าจะเพิ่มเติมก็ไปเขียนแทรกไว้ในหนังสืออื่นตามโอกาสบ้างปล่อยไปเลยตามเลยบ้าง ไม่ได้เอาใจใส่อะไรมากแล้วกับการที่จะตรวจจัดข้อมูลเก่าและที่จะเขียนเพิ่มเติมอะไรใหม่จะพูดว่าไม่ได้หวังอะไรในเรื่องนี้แล้วก็ได้ได้ข้อมูลมากว่าจะตรวจจัดเสร็จส่งโรงพิมพ์ได้ก็เกือบไม่รอดอยู่มาถึงปี2548 มีเรื่องคืบหน้าคือคุณสุรเดชรพรทวีทัศน์ได้ตั้งคณะทำงานหนึ่งขึ้นมาเพื่อจัดตั้งเว็บไซต์ที่จะเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะว่าจะรวมหนังสือและเสียงของอาตมาไว้และเผยแพร่ที่เว็บไซต์นั้นคุณสุรเดชบอกทนองว่าหนังสือที่จะเผยแพร่ออกไปนั้นจะต้องมีพุทธธรรมเป็นหลักหรือเป็นเล่มนําจึงจําเป็นต้องมีข้อมูลพุทธธรรมนั้น ที่เป็นฉบับคอมพิวเตอร์ครบจบเรียบร้อยแต่เมื่อยังไม่มีจะทำอย่างไรได้ยินข่าวเป็นระยะระยะซึ่งแสดงว่าคุณสุรเดชพรทวีทั์เอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ถึงกับไปพูดจา ก, กับนักพิมพ์คอมพิวเตอร์ของสำนักพิมพ์มีชื่อเสียงที่ทำหนังสือธรรมะเล่มใหญ่มาจนชนานาญเมื่อตกลงขั้นต้นกันแล้วบางทีก็พามาพบเพื่อทำความเข้าใจงาน ปรากฏว่าเมื่อผู้จํานานงานนั้นๆมองเห็นความซับซ้อนและลักษณะเฉพาะของงานนี้โดยเฉพาะงานทำดัชนีความคิดแล้วก็บอกเลิกไม่รับงานในที่สุดเรื่องก็เงียบเหมือนว่าคุณสุรเดชคงจําเป็นต้องเลิกราวกับงานนี้ที่จริงคุณสุรเดชไม่ได้เลิกแต่หลังจากเรื่องเงียบงันไปช่วงหนึ่งโดยไม่คาดหมายมาทราบอีกทีว่า งานไปเดินหน้าที่เมืองเชียงใหม่แล้วคือคุณหมอณรงค์เลาหลาวิรภาพเพื่อนของคุณสุรเดชที่เมืองเชียงใหม่นั้นมีชันทละวิริยะรับทำงานนี้โดยพิมพ์ข้อมูลหนังสือพุทธธรรมทั้งเล่มนั้นใหม่ลงในคอมพิวเตอร์แบบพีีโดยตรงขอเล่าแทรกว่าโดยไม่รู้กันตอนใกล้พุทธศักราช2550สานักคอมพิวเตอร์มหาวิทยลาลัยมหิดล จะออกพระไตรปิฎกคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่เรียกว่าบูเตอร์ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นที่สเมื่อได้ทราบปัญหาความติดขัดของข้อมูลหนังสือพุทธธรรมก็เลยช่วยพิมพ์ข้อมูลพุทธธรรมลงไปรวมไว้ในบูเซอร์สี่ด้วยและทำเป็นเล่มหนังสือมาถวายไว้หนึ่งเล่มข้อมูลชุดนี้ก็ทำไว้ดีทีเดียวแต่เป็นงานที่มุ่งทาสาหรับโปรแกรมค้นคว้าของคอมพิวเตอร์คุณหมอนรร์ที่เมืองเชียงใหม่ ทำงานเป็นอิสระชนิดที่ลงทุนลงแรงมากมีใจเพียงพิมพ์ข้อมูลหนังสือให้ครบเท่านั้นแต่ก้าวไปในงานตรวจจัดข้อมูลเท่าที่จะทำได้ด้วยและที่พิเศษคือทำงานดัชนี182หน้าซึ่งต่อมาได้บีบถี่แคบลงเป็น140หน้าที่รวมดัชนีความคิดใส่ลงไปได้สำเร็จด้วยเมื่องานเตรียมข้อมูลเสร็จพร้อมแล้วคุณหมอณรงค์ก็นัดคุณสุรเดช และคุณนริตนำข้อมูลพุทธธรรมเสร็จจบเล่มไปถวายเมื่อส2องพฤษภาคม2553นักที่อาตมาไปอาศัยในอำเภอด่านช้างโน่นเป็นเวลาที่ถึงจุดสุบงอมพอดีที่ว่าง่อมพอดีนี้คือด้านหนึ่งข้อมูลหนังสือนั้นก็ได้จัดทามาจ่อความเสร็จสิ้นถึงขั้นขึ้นเป็นรูปเล่มหนังสือแล้วเหมือนเร่งว่าจะต้องให้เล่มหนังสือนั้น เสร็จเป็นจริงออกมาจะมัวชักช้าอยู่ไม่ได้อีกด้านหนึ่งตัวอัตมาเองปัญหาโรคาพาธโดยเฉพาะโรคทางเดินหายใจก็ได้สุดลงมาเรื่อยเจนกระทั่งถึงตอนนั้นต้องหยุดงานพูดสอนอธิบายบรรยาย ร, รมทั้งหมดแม้แต่การพูดคุยธรรมะกับพระใหม่และได้ออกจากวัดญาณเวส ก, กวันไปพักจำพรรษาอยู่ในชนบทแล้ว งานหนังสือเล่มเล็กเล่มน้อยก็พลอยลดลงไปนี่คือเกิดโอกาสขึ้นแก่กิจจำเป็นที่มาถึงหลังจากทาหนังสือเล่มย่อยๆที่ค้างอยู่สองถึงสามเล่มเสร็จเวลาผ่านมาครึ่งปีเสร็จพอจะขึ้นพุทธศักราช2554นาขณะไปพักอาพาธอยู่ที่สถานพมนักสงสายใจธรรมเขาดงยาง ก็ถึงวาระเริ่มงานตรวจจัดข้อมูลหนังสือพุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความงานตรวจจัดข้อมูลนี้พูดได้ว่าใช้เวลาหนึ่งปีพอดีพอขึ้นพุทธศักราช2 5 5 5แล้วเกือตลอดเดือนมกราคมก็เป็นช่วงเวลาที่ต้นแบบหนังสือเข้าโรงพิมพ์จนเสร็จออกมาเป็นหนังสือเก่าที่พิมพ์ครั้งใหม่ในรูปร่างที่เปลี่ยนไปเล็กน้อยและมีชื่อที่สั้นลงว่า พุทธธรรมฉบับปรับขยายขอทวนความละย้ำให้มั่นแม่นอีกทีว่างานทำหนังสือพุทธธรรมฉบับปรับขยายนี้คือการตรวจจัดข้อมูลที่จะพิมพ์หนังสือเก่าขึ้นมาเป็นครั้งใหม่ตัวงานแท้แท้คือแค่นี้ซึ่งนับว่านหนักหนามากแล้วตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ทำงานนี้ความมุ่งหวังของอาตมาจับอยู่แค่ความคิดว่า จะต้องให้การพิมพ์หนังสือพุทธธรรมเล่มเก่าขึ้นมาใหม่จากข้อมูลคอมพิวเตอร์เสร็จไปเสียทีโดยเฉพาะที่กระชั้นชิดติดตัวก็คือจะต้องตรวจจัดข้อมูลเก่าของหนังสือพุทธธรรมที่คุณหมอนรงค์จัดเตรียมมาถวายนั้นให้จบให้พิมพ์เป็นเล่มออกมาได้ก่อนความสำเร็จเสร็จงานอยู่ตรงนี้แค่นี้ซึ่งไม่ใช่ง่ายเพราะต้องแข่งกับโรคที่ในช่วงเวลานั้นก็โถมเข้ามาอย่างหนักโดยตลอด จากนั้นเมื่อมีข้อมูลต้นทุนพร้อมอย่างนี้แล้วหากมีโอกาสเมื่อใดคือหมายถึงว่าถ้ายังมีชีวิตอยู่จะเพิ่มจะเติมหรือจะปรับปรุงอย่างไรก็เป็นเรื่องข้างหน้าที่จะว่าหรือไม่ได้ว่ากันต่อไปจะว่าไปก็เหมือนได้จังหวะพอดีพอตรวจจัดข้อมูลพุทธธรรมเสร็จส่งเข้าโรงพิมพ์การอา้าสุดลงไปอีก เข้านอนในโรงพยาบาลอีกแล้วเปลี่ยริบรลีลงริบหลีลงเป็นไปได้ว่าถ้าตรวจจัดข้อมูลช้าอีกนิดเดียวก็อาจจะไม่ทันเสร็จและถึงบัดนี้การพิมพ์พุทธธรรมก็จะยังเป็นอนาคตรวมแล้วก็ต้องอนุโมทนาคุณสุระเดชและคุณหมอเนร่์ผ่านคุณนริตที่ได้ทำการอันเป็นการบีบบังคับด้วยกุศ ล, ลเจตนาให้ต้องทางานนี้จนเสร็จ ซึ่งงานชิ้นใหญ่ชิ้นย่อมก็เสร็จมาโดยทำเพราะถูกบีบบังคับด้วยกุศ ล, ลเจตนาแทบทั้งนั้นรวมทั้งหนังสือพุทธธรรมนี้ตั้งแต่ฉบับเดิมเป็นต้นมาต่างแต่ว่าครั้งนี้มาเสร็จเมื่อการใกล้หมดแล้วก็ต้องขออนุโมทนาทางมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยอันมีคุณหมอบัญชาพงพาณิชย์เป็นตัวจากใหญ่ที่มีน้าใจให้ความสาคัญ มาจัดการสื่อสารเพื่อขยายประโยชน์ออกไปในปีครบ26สศตวรรษแห่งการบรรลุพพธิยานและการประกาศพระธรรมมาจัก